สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กรุพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะเช้ามืดวันนี้เปลี่ยนเวลาออกอากมศมาพบกันสายกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะสัปดาห์ก่อนเราพบกันตีสี่ถึงตีห้า สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเราจะพบกันตีสี่ครึ่งถึงตีหฟ้าสางขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะที่บ้านฟ้าสางใสๆหรือว่ามองไม่เห็นแสงอาทิตย์อันรำไรเลยเพราะว่าโอ้โหเมื่อพยากรณ์อากาศบอกว่า3ถึง8พายุจะเข้าฝนจะตกอีกแล้วเราก็เจอพายุถล่มกันเมื่อวันศุกร์เรียกว่าถนน น้ำท่วมไปหมดเลยนะคะการเดินทางก็คลุกคลุกั ก, กแล้วก็เป็นวันศุกร์แห่งชาติอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้คุณผว้ชงจะเดินทางไปไหนนะคะก็ฝากดูแลสุขภาพอนามายัยตรวจยานพาหนะที่ท่านจะต้องใช้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมเป็นพิเศษเพราะถ้าเราไปเจอน้ำท่วม มันก็ทำให้เราลำบากในการเดินทางไปอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วช่วงนี้การจราจรก็มีงานโน่นนี่นั่นเยอะเลยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเมืองทองทา น, นีนะคะก็มีงานยิ่งใหญ่ที่คนรักการอ่านรอคอยงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเปิดกันมาตั้งแต่วันที่สองตุลาคมนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึง สามตุลาคมคนรักการอ่านทั้งหลายไม่พลาดที่จะไปกิจกรรมงานนี้นะคะมีสัพิมพ์ต่างๆนะคะมาลดแหลกแจกแถมนะใช้คำบ้านๆกันเลยนะคะคนนิงสือมาลดระคาให้เรานะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เราไปร่วมมากมายทั้งการที่จัดเสวนาทางวิชาการเอ่ยหรือมีกิจกรรม นักเขียนมาพบแฟนๆรายการขอลายเซ็นการเปิดตัวหนังสือใหม่และอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งเราก็จะได้เปิดโลกรักการอ่านร่วมกันถ้าคนไทยรักการอ่านมากๆ เ, เชื่อว่าจะทำให้สมาชิกในประเทศของเรามีความฉลาดความฉลาดนั้นไม่เพียงแต่ฉลาดในการดำรงชีวิตส่วนตัวนะคะ แต่สามารถดูแลครอบครัวสังคมและประเทศชาติได้ด้วยโลกการอ่านทุกวันนี้นะคะมีสื่อให้เราได้อ่านเยอะแยะมากมายไม่เพียงแต่นังสือที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นนะคะหลายคนก็ลงไลกับการอ่านผ่านอ e ีบุ๊กแล้วก็ผ่านสื่ออื่นๆนะคะใครชอบแบบไหนก็เชิญ เลือกอ่านได้ตามใจชอบแต่ขอให้อ่านหนังสือทุกๆวันนะคะเพราะทุกวันนี้มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกในการค้นคว้าเยอะมากๆแต่ข้อคิดเตือนใจที่ดิฉันมักจะได้รับแล้วก็ฝากบอกต่อกันก็คือชัวร์ก่อนแช์นะคะเพราะข้อมูลบางอย่างเนี่ยบางทีเราเพิ่งเห็นแต่เพิ่งผ่านไลน์เรามาไม่นาน แต่พอเราทราบจากคนอดินโอ้เรื่องนี้ผ่านมาหลายปีแล้วก็มีนะคะและที่สำคัญเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะก็ไม่ทราบละคะ่ะว่าใครเขาสนุกสนานกับการกรอกข้อมูลแบบนี้ผ่านโลกออนไลน์ถ้าเราหลงเชือ่อโดยไม่ตรรองนะคะนอกจากเราจะได้รับข้อมูลผิดแล้วก็อาจจะผือใจปฏิบัติตามไปผิดผิดแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบที่เสียหายต่อ ตนเองครอบครัวและอื่นๆได้ด้วยดังนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลกันสักนิดนะคะตามแหล่งที่เขาอ้างมาถ้าเป็นข้อมูลทางสุขภาพอนามัยก็ถามไปที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นข้อมูลทางวิชาการนะคะเขาอ้างสายไหนมาเราก็ดูซิว่าสายนี้เกี่ยวข้องกับสถาบันไหนเอ่ยถ้า เราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็อาจจะตรวจสอบจากช่องทางที่เราสะดวกหลายๆข้อมูลนะคะจิ้มเข้าไปในอากูก็ได้ค่ะข้อมูลต่างๆที่เป็นความจริงก็จะปรากฏให้เราประมวลผลและเชื่อถือได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่แน่ใจวางมันไว้ก่อนเลยนะคะเพราะถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆเราก็มักจะได้ทราบจากประกาศทางสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน์หรือป้ายประกาศของทางการแน่นอนนะคะนี่คือความห่วงใ่จากชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันผนดทรรมเนียมอินซึ่งมาพบกับท่านเป็นประจำนะคะทางเอ8เ5็มปสิบเก้าจุดห้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีวันนี้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาพบกันเช้ามดืดวันเสาร์ สายมาอีกนิดนึงนะคะแต่ถึงจะเหลือเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ก็จะเป็นครึ่งชั่วโมงที่ดิฉันจะสั่นหาเรื่องราวที่เป็นชีวิตวัฒนธรรมมาฝากทุกๆ ท, ท่านเป็นประจำแน่นอนวันนี้คุณบิ๊กควบคุมเสียงนะคะแล้วก็หาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันดังนั้นช่วงนี้ขอเชิญฟังเพลงแรกจากคุณบิ๊กกันก่อนค่ะ เคยตั้งใจสักนี้ว่าจะแอบคิดกับเธอเป็นคนพิเศษไม่เคยจะรู้สาเหตุแต่ที่รู้มันมีอาการแปลกไปเฝ้าคิดถึงเสียงเธอเฝ้าคิดถึงสายตาคิดถึงช่วงเวลาที่เราไกลกันเหมือนอยู่กลางสายลมเหมือนอยู่ในความฝันเหมือนควบคุม เลือก i s o r กำลังระปังชีวิตวัฒนธรรมดิฉันผนดทมเนียมอินดำเนินรายการนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเช้ามืดวันเสาร์นะคะทาง FM 89.5 แห่งนี้สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่มีความสุขและเป็นเช้าดีๆของทุกๆคนนะคะเดินทางปลอดภัยกันด้วยค่ะคุณฟังคะดิฉันถือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เป็นหนังสือ พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคีพระราชนิพลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหนังสือเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินนะคะในหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มเล็กๆค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์เมื่อปี2550 ตอนนี้เราได้เห็นเรื่องราวที่เกิดความวั่นว้ในการแตกความสามัคคีกันเยอะเลยนะคะเดนก็เลยจะขออนุญาตอันเชิญข้อความที่เป็นบทพระราชนิพนธ์นี้นะคะมาให้ทุกทุกท่านได้ฟังเพราะว่าถ้าท่านใดมีโอกาสไปหาอ่านนะคะก็จะได้ จะลงใจแล้วก็สามารถบอกต่อไปที่คนอื่นได้ด้วยเลนขอเริ่มจากช่วงต้นของหนังสือเล่มนี้บางช่วงบางตอนนะคะพระบรมราชาที่บายว่าด้วยความสามัคคีสัพเพสังสังขผภูตานังสามคัคคีวุฒิสาธิกาความเป็นผู้พร้อมเพรียงแห่งชนผู้เป็นหมู่แล้วทั้งหลายทั้งปวงให้ความเจริญสำเร็จ คาถานี้เป็นคาถาซึ่งจารึกไว้ในอามแผ่นดินเป็นคาถาที่ว่าทั่วไปในหมู่ทั้งปวงไม่เฉพาะว่าชาติใดภาษาใดหมู่ใดที่ทำการอย่างใดแต่เมื่อจะว่าให้เฉพาะกรุงสยาม ว่าตามการซึ่งเป็นไปในเวลาบัดนี้และไม่ว่าถึงคนทั้งปวงซึ่งเป็นหมู่ใหญ่ทั่วไปยกเอาแต่พวกที่เป็นผู้รับราชการเป็นผู้ปกครองรักษาและเป็นผู้ทำนุบำรุงบ้านเมืองจะประพฤติอย่างไรจึงจะเป็นการสมควรถูกต้องด้วยคาถาสุภาษิตนี้และจะได้รับความเจริญตามคาถาสุภาษิตนี้ ถ้าพระเจ้าจะขอยกข้อความซึ่งมีผู้พูดกันด้วยความสามัคคีขึ้นกล่าวก่อนมีคนบางพวกที่เป็นคนมีความคิดสูงมักจะคิดการบ้านเมืองต่างๆและมักใส่ใจในการต่างประเทศแต่ไม่รู้หนังสือต่างประเทศคือหนังสืออังกฤษเป็นต้นเมื่อจะออกสติปัญญาอันใดเพื่อจะประกาศปัญญาตนหรือเมื่อกระทบกระเทือน หรือมีความปรารถนาอันใดมักจะพูดกันว่าคนยุโรปเขาทำการอันใดอันใดสำเร็จไปได้ตลอดเพราะเขาเป็นสามัคคีไม่ขัดขวางกันเขาไม่มีความอิจฉาเรศยากันเขาเป็นคนซื่อตรงอยู่ในยุติธรรมไม่คดโกงกันบ้านเมืองเขาจึงได้มีความเจริญพูดกว้าง เข้าใจเอาโดยอนุมานว่าข้างฝ่ายเขานั้นผู้ใดคิดการขึ้นแล้วผู้อื่นคงต้องตามกันและเพราะผู้พูดไม่ได้มีความริษยาคนต่างประเทศก็ไม่รู้จักหรือไม่ริษยาตัวต่างคนต่างอยู่หรือพูดไม่ได้นึกว่าจะชมจริงๆเป็นแต่พูดถอนไทยกันเองเล่น ในเวลาที่มีเหตุการณ์อันใดที่ไม่ชอบใจตัวหรือมีความปรารถนาไม่ได้สมความปรารถนาฝ่ายพวกที่รู้ภาษาอังกฤษและรู้พื้นเพราชการในประเทศยุโรปว่าเป็นธรรมเนียมที่เป็นอยู่อย่างไรในกระบวนปรึกษาราชการได้ฟังคำเจรจาภาษิตของผู้ที่อยู่ในที่ประชุมต่างๆซึ่งปันเป็นพวกเป็นเหล่า ความเห็นแตกต่างกันตรงกันข้ามก็น้อมใจไปตามในความเห็นนั้นๆจนรู้สึกตัวหรือออกวาจาแสดงว่าตัวเห็นความตามพวกนั้นพวกนี้เป็นถูกเป็นผิดแล้วเอามาประพฤติตัวในวาจาถ้อยคำและคิดความอ่านเจอไปในราชการบ้านเมืองของตัวจนเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีปาริแมน ที่ราษดรประชุมปรึกษาราชการและผู้ที่คิดการบ้านเมืองนั้นจะต้องเป็นสองพวกสามพวกในความเห็นต่างกันเหมือนประเทศทั้งปวงเพราะเมืองไทยไม่ยอมให้มีความคิดต่างๆกันเป็นพวกเป็นเหล่าพูดได้คิดได้ตามใจบ้านเมืองจึงไม่มีความเจริญเหมือนประเทศยุโรปรวมใจความว่าปกครองบ้านเมืองแต่ด้วยอำนาจผู้ปกครอง ไม่พร้อมด้วยราษฎรซึ่งนับว่าเป็นการปกครองด้วยความสามัคคีในคนหมู่ใหญ่ข้าพเจ้าเห็นว่าความและวาจาของท่านพวกที่หนึ่งนั้นพูดไปโดยรู้งูงูปลาปลาหมายความเกินกว่าความที่เป็นจริงไปเพราะความที่เป็นจริงนั้นใช่ว่าฝรั่งจะไม่รู้จักคิดอ่านการอันใดขัดกันเขาขัดกันมากอย่างยิ่ง ใช่ว่าฝรั่งจะไม่รู้จักอิจฉากันเขาอิจฉากันอย่างยิ่งใช่ว่าฝรั่งจะไม่รู้จักโกงเขาโกงกันอย่างยิ่งคาที่พวกท่านที่พูดสารเส ร, ริญสรสำหรับด่าไทยกันเองเป็นสารเส ร, ริญโดยไม่รู้ความจริงพูดไปตามเวลาต้องการหรือรู้แกล้งทาไม่รู้เพื่อจะพูดเล่นข้างเดียว ถึงว่าเป็นการไม่จริงและไม่เป็นเหตุที่จะขู่ให้คนตกใจกลัวกลับเป็นสามคัคคีและไม่เป็นเครื่องล่อชักชวนแนะนําให้เกิดความสามัคคีได้ตามคาถานี้แต่ความที่เป็นจริงนั้นมีอยู่อย่างหนึ่งพวกประเทศทั้งปวงมักจะรักษาชาติรักษาบ้านเมืองของตัวเพราะ คิดจะรักษาประโยชน์ยาวเวลาเช่นกับการลงทุนทำการ 30- ถึงสี่สิบปีจึงจะมีกำไรก็ย่างกล้าที่จะลงทุนทำเป็นต้นการรักษาบ้านเมืองเป็นประโยชน์ยืดยาวที่จะได้ทั่วไปจึงเป็นสำคัญที่จำเป็นต้องรักมากกว่าประโยชน์ที่ตัวจะได้เฉพาะตัวในครั้งหนึ่งคราวเดียว เพราะฉะนั้นจึงเป็นความจริงรวบยอดอยู่อย่างหนึ่งถึงว่าจะเป็นการขาดผลประโยชน์ที่จะได้เฉพาะตัวหรือผู้ที่ตัวอิจฉาริษยาจะเป็นผู้ทำการดีต่อบ้านเมืองหรือความโกงของตัวจะเป็นการให้โทษแก่บ้านเมืองมีโอกาสที่จะระงับไปได้ ในเวลาที่ต้องการจะให้บ้านเมืองยืนยงคงทนและเจริญขึ้นในอำนาจและความสุขความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแห่งตนเมื่อมีความผูกพันใหญ่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งอยู่อย่างนี้จึงทำให้เห็นไปได้ว่าเขาเป็นผู้มีสามัคคีต่อกันทั้งสิน้นเป็นความจริงแต่ไม่จริงโดยละเอียดไปเช่นที่กล่าวนั้น นี่คือส่วนหนึ่งนะคะในหนังสือพระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคีพระราชนิพนลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเดินนามาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเพื่อที่จะช่วยจะลงใจให้ทุกๆ ท, ท่านได้มีความสุขและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้แก่พวกเรา ถึงภาษาที่ดิ่านจารชิญนมานั้นจะเป็นภาษาสมัยที่พระองค์ท่านนานมานับร้อยปีแล้วแต่เชื่อว่าคนไทยฟังแล้วเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ด้วยจิตสำนึกของความรักชาตินะคะเราก็มาทำตามที่พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชนิพนธ์องค์นี้ไว้ให้เราด้วยกันนะคะนี่คือช่วงหนึ่งของชีวิตวัฒนธรรม เช้ามืดวันนี้ค่ะแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะดิฉนก็อยากจะพาคุณฟังไปฟังเรื่องเบาๆที่จะเป็นประโยชน์นะคะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยเลยแหละคะ่ะดิฉันใช้คําว่าต้องบอกว่าซึ่งปกติจะไม่ค่อยใช้นะคะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เป็นองค์ความรู้ดิฉนก็ไปค้นมาได้จากหนังสือหมื่นร้อยพันภาษาา สิ่งดีวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทยของกลุ่มศิลปกรค่ะเขาพูดถึงอาหารท่าสีไว้ตอนนี้หลายๆคนกินเจหลายๆคนก็ไม่ได้กินเจนะคะเวลาไปงานประชุมเนี่ยก็มักจะเห็นอาหารหลากหลายนะคะทั้งปักทงเจเขียนภาษาคำว่าเจแล้วก็ มีอีกมุมหนึ่งนะคะบางคนเขาถือเคร่งมากนี่ต้องแยกแม้แต่อาหารช้อนชามกันเลยนะคะแต่ถ้าในคติความเชื่อของคนไทยแล้วล่ะก็ศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยโบราณนะคะเขาก็เชื่อกันว่าร่างกายของคนเรานั้นเกิดขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่อันได้แก่ดินน้ำลมไฟ คุมกันเข้าเป็นร่างกายมนุษย์ค่ะยามใดที่ทาธาตุทั้งสี่ของเราอยู่สภาวะสมดุลคนเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะแต่หากเมื่อใดที่ทาธาตุใดาธาตุหนึ่งผิดปกติเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาค่ะทางด้านของโหราศาสตร์นั้นเขาก็มีความเชื่อเรื่องาธาตุทั้งสี่ปรากฏอยู่เช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องที่เชื่อดวงชะตาราศีเวลาตกฟาก เวลาเกิดของคนเรานั่นเองค่ะหลายคนจะถามเอ๊ะตกฟากคืออะไรเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีฟากเลยเนาะฟากก็คือพื้นนั่นเองนะคะถ้าปัจจุบันนี้ท่านเกิดในโรงพยาบาลก็ไม่ตกฟากละค่ะอยู่ในเตียงอยู่บนเตียงค่ะอยู่บนเตียงนะคะอยู่ในห้องผ่าตัดหรือห้องคลอดทั่วไปก็ไม่ต้องตกฟากแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคำว่าฟากสมัยก่อนก็คือฟากไม้ไผ่พื้นกระดาน เอารวมความเป็นว่าเมื่อท่านคลอดออกจากท้องแม่ลงไปนอนครั้งแรกตรงไหนนั่นะคะ่ะเวลาตกฟากเนาะออกจากท้องแม่เมื่อไหร่เป็นเวลาตกฟากอ่าคิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเวลาเกิดของคนเรานั้นนะคะก็จะเป็นตัวชี้วัดว่ามนุษย์คนนั้นคนนี้คนนู่นเป็นคนที่มีธาตุอะไรเป็นเจ้าเรือน คำว่าธาตุเจ้าเรือนทั้งสี่ก็ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วธาตุทั้งสี่ก็จะมีอิทธิพลส่งผลให้บุคคลมีบุคลิกลักษณะมีอุปนิสัยตลอดจนสุขภาพร่างกายแล้วก็โรคประจําตัวที่แตกต่างกันอุ้ยต้องตามมาด้วยโรคเนาะไม่มีใครอยากมีโรคประจําตัวนะคะแต่ที่ที่ฉันอ่านให้ฟังไปตั้งแต่ต้นแหละค่ะว่าธาตุทั้งสีเนี่ยมีผลกับร่างกายของคนเราแต่ละคนนะคะดังนั้น ศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันเขาจึงมีแนวคิดว่าหากต้องการให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขแล้วล่ะก็เราควรจะเลือกบริโภคอาหารที่มีรสเหมาะสมแก่ธาตุเจ้าเรือนซึ่งรสที่ว่านั้นก็จะจำแนกรสตามหลักโภชนาการอาหารไทยคือรสเผ็ดร้อนรสฝาดเด็กๆรู้จักฝาดไหมลูกถ้าหนูไปขบฝรั่งที่มันยังแก่ไม่จัด หนูจะรู้สึกว่ามันฝาดคือไม่อร่อยแล้วก็เหมือนกับมันฝืนๆขมๆลิ้นนิดหน่อยทำนองนั้นเนาะรสหวานรสมันรสเค็มรสเปรียร้ยวรสขมเย็นและจืดจากการค้นคว้าของแพทย์หญิงนภาทรัพย์เจริญสถาบันแพทย์แผ่นไทยการแพทย์แบบองค์รวมกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โดยการหาอาหารรสชาติเหล่านี้มารับประทานนั้นไม่จาเป็นต้องเลือกอาหารแพงล้ำเลิอดหรูในพืชผักส่วนครัวและผักพื้นบ้านของไทยเรานาน า, นาชนิดนี่แหละคะ่ะก็สามารถเลือกกินเป็นอาหารที่มีรสชาติเหมาะสมแก่ท่าเจ้าเรือนได้นะคะเพราะว่าผักเหล่านี้มีข้อดีที่ไม่แพงหาง่ายมีทุกรดูกันแล้วก็ปลอดสารพิษนะคะ แล้วก็ยังมีกากใยที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็ระบบขับถ่ายด้วยนะคะท่านก็ลองมองดูนะคะว่ารอบๆบ้านของท่านนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะปลูกอะไรได้บ้างไหมนะคะเพราะว่าแต่ละธาตุแต่ละคนนะคะก็จะมีบุคลิกแตกต่างกันไปใช่ไหมคะลองมาดูกันนะคะว่าธาตุบุคคลที่มีเจ้าเรือนใดควรจะรับประทานอาหารประเภทไหน เริ่มจากธาตุดินทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าเป็นคนที่มีธาตุเจ้าเรือนที่เกิดในเดือนพฤษภาราศีพฤษภนั่นเองนะคะราศีกันแล้วก็ราศีมังกรส่วนคนธาตุดินส่วนใหญ่จะเป็นรูปร่างหย่อยผิวค่อนข้อง ค, คล่มนะคะมีโครงร่างหรือว่ากระดูกใหญ่คอแข็งแรงลำสันน้ำตัวหนักมากแล้วก็มีเสียงดังหนักแน่นนะคะ ธาตุดินนี่ก็จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าธาตุดินเนี่ยเป็นที่ตั้งของธาตุทั้งปวงอาหารที่เหมาะกับธาตุดินก็คืออาหารที่มีรสฝาดมันหวานแล้วก็เค็มค่ะเป็นไงคะได้ฟังแค่นี้นะคะท่านอื่นๆก็คงจะอยากทราบแล้วล่ะคะ่ะว่าธาตุของท่านเป็นคนแบบไหนเนาะ ถ้าเป็นคนธาตุน้ำนะคะก็น่าจะไปรับประทานพวกที่จะเป็นอาหารที่เป็นพืชผักผลไม้วิตามินซีนะคะคนที่เกิดในราศีที่จะเป็นธาตุน้ำก็พวกกรกฎพิจิกรราศีมีนนะคะบุคลิกก็จะ เป็นคนที่รูปร่างสมบูรณ์สมส่วนนะคะมีน้ำในร่างกายมากผิวพรรณสดใสเต่งตึงตาหวานมีน้ำในตามากผมดกเป็นเงาอ้าวมีอะไรต่างๆที่บอกให้ท่านได้รับทราบเป็นเบื้องต้นนะคะส่วนพวกที่เป็นธาตุลมนะคะก็จะเป็นคนที่เกิดราศีเมถุนตุลกลุ่มรูปร่างโปล่งผอมบางผิวหนังหยาบแห้งอิทธิพลของธาตุเจ้าเรือนก็คือ โดนลมบ่อยๆก็มั้งนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่รักง่ายหน่ายเร็วเส็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เหมาะที่จะกินของเผ็ดร้อนขมิ้นขิงข่าตระไคร้ใบชะพลูต่างๆเหล่านี้ส่วนถ้าสุดท้ายก็คือธาตุไฟคนที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูจะมีบุคลิกที่เป็นคนขี้ใจร้อนไม่ค่อยอดทนหิวบ่อยกินเก่งนะคะแล้วก็ ควรที่จะบริโภคผักสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะบำรุงธาตุของท่านผักกาดเข้าผักบุ้งใบตำลึงหัวใชเท้าอะไรเหล่านี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะก็จะหันมาใส่ใจสุขภาพกันได้ดีขึ้นรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายแต่ไม่ต้องถึงกับเคร่งจนกระทั่งว่าอุ้ยต้องกินนี่ไม่กินนั้นไม่ใช่นะคะทุกอย่างทางสายกลางค่ะ เลือกเรื่องราวที่เพื่อให้คุณฟังผ่อนคลายในเช้ามืดแบบนี้มาฝากนะคะเพราะว่าพอเราตื่นนอนสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือคุงหาอาหารหรือไปเตรียมซื้อข้าวปลาอาหารมารับประทานกันก็เลยนําเรื่องราวที่เป็นวัฒนธรรมการกินมาเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่าชาวนี้คงจะต้องหมดเวลาแล้วนะคะคุณบิ๊กส่งสัญญาณแล้วว่าเรา ได้ยินเสียงไก่ขันนกร้องเอี๊เอจิบจิมาขึ้นแล้วล่ะคะ่ะตีห้าแล้วดิฉันพนธ์ทำเนียมอินรายการชีวิตวัฒนธรรมคุณบิ๊กผู้ควบคุมเสียงและหบเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันดอกเตอร์กุลกนิตทองเงาผู้ควบคุมรายการวันเวลาที่ออกอากาศใหม่วันนี้นะคะก็คงจะต้องลา ก, กันไปก่อนกลับมาพบกันวันเสาร์หน้าคะ่ะ ตี4ครึ่งถึงตี5ทาง FM 89.5 สสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะรายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย